ช่วเร็วๆครั้งเดียวที่เราไปฝังใจไปยึดเอาไว้นี่มันทําลายมิตรภาพทิ้งได้หมดสิน้นไม่เหลือเลยเพราะอันเนี้ยเนี่ยระวังไว้ด้วยมันแรงบางทีบางครั้งยิ่งใครไปยึดไปอะไรมันหนักมันแรงเกินไปนี่โอ้โหนะ่มันจะมีวิบากที่สลายลงไปยากนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ขนาดว่าเออรู้แล้วว่าเพื่อนไม่ปิดนะแต่ ยังไม่ไม่ยอมไปนั่งใกล้ไม่ยอมไปพูดด้วยเลยแล้วเรื่องนี้ก็ไม่กล่าวถึงอีกต่อไปเลยนะส่วนภิกษุผู้โดนภุมมะเทวดาแกล้งได้ภาคภเพียรบรรพิพวิปัสสนาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดคือคือรูปที่โดนเทวดาแกล้งนะแกล้งให้มีผู้หญิงเดินตามออกมารูปนั้นจริงๆก็แทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยนะรูปนั้นนะ่ะ แต่ว่าโดนพูดงไงโดนใส่ร้ายไงท่านก็ปฏิบัติดีของท่านไปจนกระทั่งท่านท่านบรรลุธรรมไปฝ่ายภู ม, มิเทวดาคนนี้ด้วยผลแห่งบาปที่กระทำไว้ทำให้ต้องได้รับโทษภัยอยู่ในอบายอบายนี่คืออะไรอบายมีอะไรบ้างอบายสีมีอะไรบ้างนารกนะนรกก็คือเราร้อนใจนะ เ อ, อะไรอีกเปรตเปรตหมายถึงอะไรเความโลภความกระหายไข้อยากนะติดสุกอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็เรียกว่าพวกเปรตอา้อาวอะไรอีกอดีรชานหมายถึงอะไรอาบายอาบายภูมินี้หมายถึงอะไรดิรชานคือโง่เขา่าโง่เข่านี่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ก็ได้นะโง่เข่านี่หมายถึงว่าโง่ในทางธรรมไม่มีความรู้ในสัจธรรม ใ น, ในความเป็นจริงต่อให้เป็นดอ็ดอกเตอร์ก็ตามหรือซูปเปอร์ด็อกเตอร์ก็ตามแต่ไม่รู้เรื่องของคุณธรรมไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติอาจจะรู้นะว่าดียังไงว่าช่วยยังไงแต่ไม่ได้ปฏิบัติ ด, ดีก็ทําไปตามกิเลสตัณหาอุปทานอะไรไปเรื่อยอย่างนี้นั่นนี่คือเป็นแบบดีรชานมันก็ไม่ต่างจากสัตว์โลกต่างๆก็กินสูบดื่มเสรอะไรมันก็ สัตว์โลกก็ทําของมันอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ได้มีความรู้ที่จะลดละ ก, กิเลสตัวเองขึ้นมาเลยอย่างเงี้เขาเรียกว่าจิตแบบดีราชานอาะสุดท้ายคืออะไรอสุลกายอาสุล ก, กายก็คือสภาวะจิตที่กลัวนั่นกลัวนี่กลัวอะไรสารพัดกลัวจนไม่กล้าทําดีพูดง่ายๆนันเนี่ยปรากฏว่าภูมิมาเทวดานี่ก็เลยนั่นแหละต้องมารับผลกรรม นะไม่รู้ละจะเจอทั้งสี่ตัวนี้เลยหรือว่าไปตกนรกไปเจอขุมใดขุมหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะนานจนกว่าศาสนาของพระกัสปะพุทธเจ้าสูญสิ้นไปโอ้โหเรียกว่ายาวนานเลยนะแล้วรอพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ทรงอุบัติขึ้นนั่นแหละนะพูดง่ายว่าโอ้โหชดใช้วิบากอันนี้ยาวนานเหลือเกิน เมื่อถึงสมัยของพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมเขาได้เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ในนครสาวัตถีมีชื่อว่าธาน ะ, ะเพราะนั้นเนี่ยภูมิภูมิเทวดาเนี่ยนะรับวิบากจนกระทั่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดเป็นคนในยุค ข, ของพระสมณะโคดมชื่อว่าธานะได้ศึกษาร่ำเรียนไตรเพศ ไต่เพศนี่เป็นคำพีของพวกพราหมณ์เขานะเขาเรียกว่าเรียนไตยเพศต่อมาได้ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาเกิดศรัทธายิ่งนักจึงขอบวชในพระพุทธศาสนาได้อุปสมบทเป็นภิกษุดูนะตอนแรกทำบุญใช่ไหมถวายกล้วยให้กับพระพุทธเจ้าองค์ปทุมุตระได้บุญกุศลโอ้โหได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้ไปอะไรอะไรต่ออะไรมา จนกระทั่งตอนหลังมาเป็นภูมิมาทวดานี่ไปทำ เ, เนี่ยแบบเผ้อไผ่ไปทําบาปทํากรรมก็เลยซวยเลยคนนี้ซวยมาอีกตั้งยาวนานจนมาถึงยุคพระพุทธเจ้าองค์สมณโคดมนะแต่นี่นี่ยังยังดีนะนี่ยังมีบุญอยู่นะนี่นะได้มาเกิดเป็นคนแล้วก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็ได้มาบวชเพราะว่าบุญก็มีทําไอ้นี่ยบาปก็มีทําด้วย บิบากบาปเก่าก็ยังตามมาทวงอีกยังใช้ไม่หมดเลยยังตามมาทวงอีกคือมักปรากบมักปรากฏกายของสตรีรูปงามคอยติดตามอยู่ด้านหลังท่านเสมอๆในสถานที่ต่างๆโดยที่ท่านไม่เคยเห็นเลยคื อ, ค, อ, ค, อคือตัวเองเนีไม่เห็นนะแต่คนอื่นเนี่ยคนอื่นเห็นแต่ผู้อื่นนั้นมักจะพบเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยบางที ไปไหนมาไหนเป็นภิกษุแล้วนะขนาดบวชเป็นภิกษุแล้วไอตอนเป็นคารวะเน่ยยังยังยังวิบากยังไม่มาเล่นงานแต่พอมาบวชเป็นภิกษุเอาเลยคราวนี้พ่อไปแก้งภิกษุไว้ใช่ไหมคราวนี้พอมาบวชเป็นภิกษุปั๊บถึงเวลาเลยวิบากกรรมเก่าตามมาทวงคืนอีกล้นะอันนี้จริงๆจะต้องถือว่านี่นี่เป็นเศษเศษของวิบากมันนะเพราะวันนี้ใช้ไปไม่น้อยแล้ว แต่คนอื่นเห็นว่าเนี่ยมีผู้หญิงคอยตามดังนั้นเมื่อบางคนถวายอาหารแก่ท่านแล้วก็จะพากันพูดพูดกระเซ้าว่าหมายถึงว่าบางทีท่านไปบินเบาทเนี่ยบางคนผู้หญิงบางคนหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยใส่บาทให้ท่านแล้วก็กระเซ้าว่าข้าวยาคูนี้สำหรับพระคุณเจ้าคือประตักสายให้บอกอ่าถ้าปีนี้ข้าวยาคูนี้สาหรับพระคุณเจ้า อีกส่วนหนึ่งสําหรับหญิงหญิงงามที่คอยติดตามพระคุณเจ้าอยู่เสมอแต่อีกส่วนนึงก็อ่าอันนี้อันนี้กระแซาพระแล้วนัะนี่เนี่ยเนี่ยถ้าถ้าแค่แซวๆก็ไม่เท่าไหร่นะเออแต่แต่ถ้าไม่ใช่แซวก็นะถ้าด่าพระนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้ว น, นัะนนี่อืมพระธานะไม่เข้าใจในเรื่องนี้คือ ก, ก็ก็งงอะ่ะเอา้าอะไรอะ่ะ ใส่บาตรเราแล้วทำไมพูดอย่างนี้นะก็งง ง, งทั้ง ง, งุนงงท่านอดขุ่นเคืองไม่ได้คือไม่ชอบใจเหมือนกันอา้าวใส่บาตรเราแล้ ว, ลวทําไมพูดอย่างนี้สมมุติว่าสมมตินะตักข้าวให้สองทัพพีเงี้ยอา้าทัพีหนึ่งถวายท่านอีกทัพีหนึ่งถวายผู้หญิงที่คอยตามท่านอา้าก็อะไรอท่านหันไปมองท่านก็ไม่เห็นใครอ่ะบอกเอ๊ะยังไงแล้วก็เลยชักไม่ชอบใจทีเอ๊ะอะไรมาพูดอย่างนี้เมื่อถูกเย่ะเย้ยถากถางจากญาติโยม นะก็มีคนที่ว่าเลยก็มีแม้กระทั่งสัมมาเนนและเพื่อนภิกษุด้วยกันโอ้โหโดนไปหมดเลยเพราะบางทีภิกษุก็เห็นมีผู้หญิงเดินตามหลังพระรูปนี้หรือบางทีสัมมาเนนก็ยังกล้ากระเซาเย้าแย่เลยนะแม้เนี่ยเพื่อนภิกษุด้วยกันก็เห็นท่านเข้าออกวิหารพร้อมหญิงรูปงานเป็นประจำ ยิงถูกทั้งหยอกล้อทั้งโดนตําหนิว่ากล่าวรุนแรงก็มีนะโดนว่าอะไรรู้ไหมแรงขนาดว่าเพราะว่าบอกแล้วบางคนก็ถือศีลแข่งใช่มเหมือนเหมือนเหมือนรูปที่อดีตน่ยที่ถือศีลแข่งอ่เอา้ามาเห็นเอ้เหมือนผู้หญิงคอยเดินตามท่านเข้าพระวิหารเนี้ยพวกที่ถือศีลแข็งก็เอาสิก็มก็ต้องติงเตือนแล้วก็อาจจะว่าแรงๆอะ่ะ ใช่ไหมอาจจะเตือนไปครั้งนึงแล้วอา้าวทาไมท่านทํำอีกอะคราวนี้ก็โดนสัตว์แรงๆแน่แหละโดนว่าอย่างงี้พระธานะปรากฏเฮี้ยเกิดแล้วพระธานะเป็นคนเลวซามต่าําช้าเสร็จแล้วนะเฮี้ยนี่ก็หมายถึงว่าโอ้โหเป็นความหยาบชา้าเป็นความเลวทามนะหรือว่าถ้าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก็เป็นไรก็ถือว่าโอ้เป็นเดรัจฉานเนี่ย ใช่ไหมโอ้โหเนี่ยโดนว่าแรงๆนะด้วยเหตุนี้ท่านจริงได้ชื่อเพิ่มเติมขึ้นว่ากุลทะทานะเพราะว่ากุลทะเนี่ยจริงๆท่านท่านชื่อว่าทานะพิกขุอ่นะตอนนี้โดนเติมเข้าไปโดนโดนเติมคําว่ากุลทะเพิ่มข้างหน้าเข้าไปกุลทะนี่ก็แปลว่าเฮียนั่นเองหมายถึงว่าตัวเฮียอย่างเงี้ยเนี่ยคำว่ากุลทะ นะหรือว่าแปลว่าคนเรวซามต่ําช้านะคือคราวนี้กลายเป็นใครใครก็เห็นท่านชอบมีผู้หญิงเดินตามอยู่เลยนะก็เลยกลายเป็นได้รับสมยานามอันนี้เขาเรียกว่าได้รับมาในทางที่ไม่ดีนะแต่ว่ามันเหมือนกับหนงังสือพิมพ์เนี่ย อ, อย่างเช่นบางทีชอบตั้งชื่อฉาย า, ใ ห, าให้คนนั้นให้คนนี้อย่างก็อย่างนี้เสร็จแล้วชาวบ้านชาวช่องก็ไปเรียกตามไอ้หนังสือพิมพ์นั่นแหละ เลยในที่สุดก็เลยบางทีชื่อจริงเลยไม่เรียกเขาเลยนะไปเรียกก็อะไรเรียกแต่ไอ้ชื่อที่ตั้งขึ้นมานะเอาเอ า, เอายกตัวอย่างในทางที่ดีนะออย่างคุณจำลองเนี่ยบางทีคนอื่นไม่ได้เรียกคุณจำลองเรียกไปไเลยเรียกมาหาห้าขันบั่งไอกระบี่มือเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไปัยทางที่ดีใช่ไหมแต่ในที่นี้ในเรื่องนี้นี่ปัไปัยทางไม่ดีแต่คนก็เรียกตามนั้น อันนี้เป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งนะอาจมาเคยพูดให้ฟังแล้วว่าชื่อคนเราเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีคุณจะได้ชื่อนี้แม้แต่ชื่อของคุณนี่ก็มาตามวิบากกรรมของคุณคุณถึงต้องได้ชื่อนี้นะชื่ออื่นไม่มเหมาะกับคุณหรอกดองนต้องชื่อเนี่ยมันถึงจะเหมาะกับคุณเพียงแต่ ว, ว่าเคยพูดให้ฟังแล้วว่ามันมีหลายเหตุที่ทําให้เราต้องได้ชื่อนี้เพราะอะไรแต่วันนี้ไม่พูดถึงนะวันนี้เอาไว้ก่อน แต่คนเราชื่อมาตามวิบากจริงๆนะอันนี้เป็นเป็นเป็นชื่อที่ได้ตามวิบากชนิดที่เรียกว่าว่าเนี่ยเพราะไปทำกรรมอย่างนี้เอาไว้ก็เลยต้องชื่อดีเพราะพระเจ้าองค์ปทุมุตระใช่ไหมพยากรณ์มาก่อนแล้วว่าเนี่ยท่านจะต้องได้ชื่ออย่างนี้ว่ากุลทะทานะ อ, อพยากรณ์มาก่อนแล้วและเนี่ยเยท่านก็ไปเห็นหมาไปทาวิบากกรรมจนกระทั่ง ต้องมาได้ชื่อนี้เนี่ยตามผลวิบากกรรมที่ท่านกระทาเพราะนั้นบางคนเนี่ยได้ชื่ออะไรมาจะตั้งแต่เกิดก็ตามจะอะไรก็ตามอย่าไปมัวเศร้าโศกเสียใจกับชื่อตัวเองถ้าถ้าชื่อมันไม่ค่อยดีนักแต่ให้รู้ว่าทําไมกูเอ๋ยไปทําอะไรมาแล้วถึงได้มามีชื่อนี้นะให้ให้มานึกอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราจะได้เออบางทีเผื่อ บางคนจะระลึกชาติได้บ้างแม้ว่าชาติเก่าๆที่ไปทําอะไรไว้เอาประโยชน์ตรงนี้ดีกว่าอย่าอย่าไปเหมือนบางคนโอ้พยายามเปลี่ยนชื่อจังเลยนะตั้งแล้วตั้งอีกนะใครตั้งให้ก็ไม่ชอบใจตั้งเองดีกว่านะตั้งเสร็จบางทีใช้ไปสักพักหนึ่งก็ไม่ชอบใจแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกแล้โอ้อราตมาบอกตรงๆเลยนะชื่อที่ได้มาก่อนๆแรกๆเนี่ยมักจะเป็นชื่อที่จริงที่สุด บอกคุณได้เลยไอชื่อที่เปลี่ยนเปี่ยนมาทีหลังเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจริงเท่าไหร่หมายถึงว่ามันจะมีผลของวิบากใหม่เนี่ยเข้าไปอยู่เนี่ยมากแต่คุณได้ชื่อมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่อะไรมาเนี่นะส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นผลของวิบากเก่าเนี่ยมีผลสูงแต่อย่างอันเนี้ยได้รับชื่ออันนี้ได้รับจากของเก่าจะมีอยู่ด้วยแต่ มันมีผลจากวิบากใหม่ที่คนเขาเห็นว่ามีผู้หญิงเดินตามเดินตามใช่ไหมซึ่งเป็นเป็นการกระทําของตัวเองที่ทํามาจากเก่านั่นแหละแต่ที่ได้สมญานี้เพราะเขาปัจจุบันนี้เขาเห็นใช่ไหมตอนแรกท่านก็ชื่อธานะเห็นไหมล่ะแต่เพราเอ๊ยนี่มีผู้หญิงคอยตามเนี่ยเขาก็เลยใส่เฮี่ยข้อให้นะกุลทะข้อให้แล้วก็เลยคราวนี้ใครๆก็เลยกลายเป็นเรียกกุลทะธานะภิกษุไปหมดเลย อ่าเสร็จแล้วตอนนี้เราใครๆก็เรียกชื่อนี้แล้วนะยิ่งใครมาเรียกชื่ออย่างเงี้ยโดนถูกเย่ยหยันเรียกชื่อเช่นนี้บ่อยๆเข้านะก็รู้สึกกดดันก็ทั่งอดใจไม่ไหวท่านก็ระเบิดอารมณ์ขึ้นด่าใส่เพื่อนภิกษุและหมู่สงคือแหมโดนเรียกงี้บ่อยๆมันกับทุกครั้งโดนเรียกก็แหมใครมาเรียกเราเอาเหี้ยนําหน้าอยู่ตลอดอย่างเงี้ยคุณจะไหวเหรอ สมมติสมมุติอย่างเชื่อแตามาอย่าเงี้ยนะแล้วเขาก็เอาเหี้ยนาหน้าตลอดบอกเออไอคนที่จะคุยด้วยกันได้หรือเปล่านี่ใช่ไหมมันไม่ง่ายนะโอ้โหด้านนี้ใครใครก็เยอะแยะเลยพูดอย่างเงี้ยโอ้โหกดดันมากจนในที่สุดท่านทนไม่ไหวท่านด่ากลับเลยคราวนี้นะอันนี้เป็นสภาพที่ไม่ใช่ว่าท่านอยากจะเลวร้ายนะแต่เป็นสภาพโดนกดดันของอารมณ์จิตใจนะก็เลยด่ากลับบอกว่าพวกท่านสิเป็นบ้า นะพวกท่านสิเป็นเฮี้ยด่ากลับมั่งเลยอาจารย์ก็บ้าก็เฮี้ยอุปชาก็บ้าก็เฮี้ยโอ้โหมันกดดันมากมนี่ยมันระเบิดตูมันก็เอากลับเลยละจริงๆเนี่ยกรณีนี้เนี่ยผู้ที่ไปตั้งฉายายอย่างนี้แล้วไปเรียกท่านนี่ก็ผิดแล้วนะเพราะไม่ควรอันนี้ถ้าเป็นพระเนี่ยไปเรียกแบบนี้นะถือว่าโอมาสวาสคือการใช้คําพูดที่ไป ขมขีผู้อื่นอ่าอันนี้จะมีอาบัตใช้ไม่ได้นะอ่าจะใช้ไม่ได้จะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระต้องอาบัตไปแล้วแต่ตอนนี้ท่านโอ้โหท่านโดนหนักเลยแล้วในที่สุดก็ฟิวขาดคราวนี้ท่านฟิวขาดท่า น, น, นด่ากลับเลยคราวนี้ด่ากลับทั้งดา่าเพื่อนภิกษุทั้งด่าสมณะทั้งดา่าอุปชาเลยคราวนี้นะอ่าอุบชาอาจารย์เลยโดนด่าไปหมดเลยคราวนี้ เมื่อเหตุการณ์ถึงขั้นนี้พระา ศ, าศาสดาทรงทราบเรื่องแล้วตัดเรียกพระกุณฑธท า, ธานะมาเข้าพบทรงถามว่าดูก่อนทานะเธอกล่าวคำหยาบช้ากับภิกษุทั้งหลายจริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเป็นความจริงพระเจ้าั้านะสมัยก่อนสัรชาติของคนตรงพูดผิดไปพูดอะไรไปไม่ต้องมาอ้อมค้องไม่ต้องมาเลี้ยวลถผิดก็ยอมรับว่าก็ด่าไปจริง ก็แล้วเหตุใดเธอจึงกล่าวอย่างนั้นเล่าเพราะข้าพระองค์อดทนอดกั้นคำเยอะหยันเป็นประจำไม่ได้ <c oughs> คืออดทนได้บ้างนะแต่แม้โดนบ่อยๆนี่ทนไม่ไหวต้องอึดอัดขัดเคืองลำบากใจยิ่งนักนะก็เลยสารภาพบอกความจริงกับพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าท่านก็เลยตัดว่าดูก่อนภิกษุเธอยังชดใช้บาปกรรมเก่าไม่หมดในเรื่องนี้ฉะนั้น เธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆเลยเพราะผู้ผู้ที่ถูกเธอกล่าวคำหยาบแล้วย่อมกล่าวโต้ตอบเธออันถ้อยคำหยาบที่เอาชนะกันทําให้เกิดทุกโทษภัยตอบจะถูกต้องเธอแต่ถ้าเธอทำตนให้ไม่หวั่นไหวได้แล้วเธอจะเข้าถึงพระนิพพานความเอาชนะกันจะไม่มีแก่เธอ นะผู้เจ้าท่านก็สอนเลยนั่นก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยอดทนให้ได้ใครกล่าวคำหยาบกับเราเราอย่าไปกล่าวตอบก็เราเองยังไม่อยากให้ใครมากล่าวคำหยาบกับเราเลยใช่ไมเอา้าแล้ ว, ล ว, ลวถ้าเราไปตอบเนี่ยเราก็กลายเป็นเอาคำหยาบไปให้คนอื่นเขาเหมือนกันมันบอกว่าอย่าไปทำแล้วการพูดคำหยาบออกไปเนี่ยมีการโต้อตอบกันไปโต้อตอบกันมาเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์ทําให้เป็นโทษภยัย เพราะนั้นตรงกังขามเลยนะพอใครมาด่าเราเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าพยายามหนักแน่นเอาไว้พยายามมั่นคงเอาไวใไาใ้ให้เหมือนอะไรอ่ะภูเขาใหญ่ให้เหมือนผืนแผ่นดินนะที่หนักแน่นที่มั่นคงแล้วนะเขาจะมาเหยียบย่ําเขาจะขี่รถเขาจะเยี่ยวรถนะเขาจะถมน้ําลายใส่พื้นดินยังไงก็ยังหนักแน่นยังมั่นคงอยู่ก็เหมือนเนี่ยใครมาด่าสาเสียเทยเสียอะไรก็เราก็ พยายามให้หนักแน่นให้ได้ถ้าหนักแน่นได้เนี่ยไม่หวั่นไหวไดนะ้นั่นแหละจะเข้าถึงพนันะิพานะแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยนะเราก็จะไม่ต้องคิดเอาชนะอะไรกับใครไม่ต้องไปแพ้ใครแล้วก็ไม่ต้องไปชนะอะไรกับใครทรงตักเตือนแล้วก็ให้ภากุลทาทานะบำเพ็ญเพียรสืบไปแต่เรื่องราวของท่านก็สะพัดไปทั่วแม้แต่พระเจ้าโกศล ก็เสด็จไปยังที่พักของพระกุณฑธานะด้วยพระ อ, องค์เองประทับเฝ้าดูอยู่ภายนอกนะภายนอกกุดที่พระกุณฑธานะเนี่ยพักอยู่คือได้ยินเรื่องข่าวข่าวปั๊บนะพระเจ้าประเซนที่โกศลนี่ก็เลยเอ๊ะมาดูหน่อยที่ว่าเรื่องราววันยังไงกันแน่แล้วพระรูปนี้จริงอย่างที่พูดพูดกันหรือเปล่าก็ทรงแลเห็นหญิงงามรูปเออหญิงงามคนหนึ่งเดินตาม พระกุณฑ ธ, ธานะเนี่ยเข้าไปในที่พักพร้อมพร้อมกับพระกุณฑ ธ, ธานะนะอา้าวพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เห็นอีกแล้วเอาละสิข้าวนี้จึงเสด็จตามหญิงนั้นเข้าไปบ้างคือรีบตามเข้าไปดูแต่ก็ไม่พบหญิงนั้นแม้จะทรงตรวจ ด, ดูค้นหาไปทั่วนะก็หาไม่พบอ่าคราวนี้ก็เดินพยายามเดินตามมาแล้วอะ นะผู้หญิงนั้นเดินเข้าไปใช่ไหมก็พยายามตามหลังเข้าไปเลยตอนแรกเห็นมีมีผู้หญิงเดินตามแต่พอเข้าไปในห้องอา้าวไม่เห็นแฮผู้หญิงไปไหนละเหลือแต่พระพระอยู่เท่านั้นจึงเข้าพระทยได้ว่านี้ไม่ใช่มาตุคามจริงๆคงเป็นมิบากกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของภิกษุนี่แน่คือยอมยอมเชื่อความจริงแล้วว่าเออภิกษุรูปเนี้ยบอกว่าไม่มีใครตามท่านเนี่ยเออแสดงว่าจริง แล้วทรงยกมือไหว้พระกุณฑทานะแล้วก็ตัดถามว่าข้าแต่พระกุณเจ้ามีความลําบากด้วยอาหารบินทบาดบ้างหรือไม่ถามเรื่องบินทบาดเลยพอสมควรมหาบพิตรกระผมเข้าใจนะอันนี้พระเจ้าประเสนทีโกสนนะผู้บอ ก, กบผมเข้าใจเพราะหากพระกุณเจ้าไปที่ใดๆแล้วมีเงาภาพสตรี อันเป็นสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองติดตามอยู่เช่นนี้ใครเล่าจะเลื่อมใสฉะนั้นนับแต่นี้ไปก็ผมข อ, อนิมนต์จะบำรุงพระคุณเจ้าด้วยปัจจัยสี่ขอให้พระคุณเจ้าจงอย่าประมาทในการทำจิตให้แยบคลายเถิดคือพูดเองง่ายว่ารู้แล้วว่าโอภารุณนี้ต้องลำบากแน่และถ้าใครต่อใครเห็นมีผู้หญิงคอยตามนี่ทังไงใครจะไปเคารพใครจะไปศรัทธา แต่ว่าตัวพระเจ้าเปร์ที่โกสลเองนี่ตามมาเห็นแล้วว่าโอ้มันไม่ใช่นี่ใช่ไหมเลยรู้ไงรู้ก็เลยท้า ง, งั้นก็เลยถามถึงเรื่องอาหารการกินถามเรื่องอะไรต่างๆเพื่อที่จะแบบว่าจะช่วยละพอ ร, รู้ว่าท่านต้องลำบากแน่เมื่อได้พระเจ้าโกศลทรงอุปถัมแล้วพระอุณทธานะมีความเป็นอยู่ที่สบายขึ้นกว่าเดิมจึงเพ่นเพียนทาให้มากในยาน ในในฌานนะก็พยายามนะำสภาวะจิตให้มันสงบให้มันป่าสจากกิเลสเนี่ยไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเงาภาพสติที่คอยติดตามนั้นก็สูญหายไปตั้งแต่บัด น, นั้นนะคือพูดง่ายๆว่าทำจนกระทั่งโหบงเพไปเรื่อยบเพนไปเรื่อยจนกระทั่งได้เป็นพระอรหันต์นะ วิบากรรมที่เป็นเชื่อมาเล่นงานนี่ถึงจะโอ้โหหมดได้นะโอ้โหรำบากยากเข็นมากอันนี้กำลังจะให้พวกคุณเห็นถึงเรื่องของบางทีเรานึกว่าแค่สนุกสนุกนะ่ะแค่หยอกมาเล่นนะ่ะอันนี้ภูมิเทวดาเนี่คิดแค่สนุกนะคิดแค่หยอกเล่นไม่รู้ว่าโอ้โหบาปกรรมมันหนักนะมันหนานะชดใช้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาตินั้นเนี่ยกว่าจะหมดได้อะ่ะแล้วก็หมดได้สนิทนี่ เป็นอาหันนะถึงม า, มาหมดสนิทได้เอาตอนนั้นนะคุณคิดดูเอาเนี่ยจะให้รู้ว่าโอ้โหบางทีเรานึกว่าเอ้ยไม่เป็นอะไรหรอกนะแค่นี้เองแค่นี้เองแล้วเราก็ไปทาบาปทากรรมนั้นโอ้โหที่ไหนได้ล่ะหน้ามืดเลยนะชดใช้กันเนี่ยเช้า ว, วันหนึ่งพระศาสดาตัดกับพระอ น, นุนว่าดูก่อนอ น, นุนวันนี้เราจะไปบินทบาทในที่ไกล ภิกษุที่จะไปด้วยนั้นอย่าให้เป็นภิกษุปุตุชนเลยเธอจงให้สลากแก่ภิกษุที่เป็นพระ อ, อริยะแล้วเท่านั้นอ่าพอดีมีนิมนต์อยู่คราวหนึง่งนนิมนต์พระอรหันต์ไปเพราะฉะนั้นผู้เจ้าเลยบอกว่าเอาแต่พระอรหันต์นะภิกษุปุตุชนนี่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องเอาไปพระ อ, อนนท์จึงไปแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายให้ทราบทันทีที่จบคำพูดพระกุญฑะทานะเถระ ก็เหยียดมือออกมาก่อนใครแล้วกล่าวว่าดีแล้วท่านอ น, นุนจงนําสลากสลากเนี่ยมามอบให้เราหมายถึงว่าผู้ที่จะได้ไปเนี่ยก็จะได้สลากก่อนใครเลยนะยื่นมือมาก่อนมูภิกษุยังไม่ทราบว่าพระกุญฑะทานเถระเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งยังเคยได้พบเห็นมตุคามติดตามท่านพระอ น, นุนจึงพูดออกไปว่า พระศาสดาตรัสสั่งให้สลาแก่ภิกษุปุถุชนตรัสว่าไม่ให้สลาแก่ภิกษุที่เป็นปุถุชนเช่นท่านจะให้แต่ภิกษุที่เป็นพระอริยะเท่านั้นคือพระอานนท์ก็ยังคิดว่าโอ้ยอย่างเงี้ยเหรอเพราะว่าเคยเห็นเหมือนกันไงว่ามีผู้หญิงเดินตามบอโอ้ ย, ยังปุถุชนอยู่เลยนะเพราะฉะไม่ยอมให้พระอานนท์กับเพื่อนภิกษุจะว่ากล่าวท่านอยู่ นะเนี่ยแม้ภิกษุเพื่อนก็เตือนแล้วก็ว่าท่านอุย้ยท่านภิกษุปุถุชนจะไปทําไมพระกุณฑะธานะเถระก็ยังคงยืน่นยืนการว่าเราได้เป็นพระอริยะแล้วพระอนนท์ก็ไม่ยอมให้สลาแก่ท่านแล้วไปการทูลถามกับพระศาสดาพระศาสดาตัดว่าจงให้สลาแก่ท่านพุทธเจ้ารู้แล้วพุทธเจ้าบอกว่าเอาให้ท่านไป พระอนุนยึงกลับไปหาพระกุญฑะานะเถระแต่ยังไม่ทันที่จะกล่าวอะไรพระกุญฑะเถระก็เอ่ยขึ้นก่อนว่าท่านอา น, นุ์พระาศาสดาย่อมทรงรู้จักเราดีพระาศาสดาจะไม่ทรงห้ามภิกษุเช่นเช่นเรารับสละก่อน <c oughs> เอ <c oughs> ชื่อบั่นตัวเองว่าบรรลุธรรมแล้ว <c oughs> นะยังยืนการอยู่อีกเหมือนเดิม <c oughs> จบคําก็ยื่นมือไป หมายรับสลากก่อนใครในทันทีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้พระศาสดา ians, จึงเสด็จมา่า้มกลางหมู่สงฆ์แล้วให้พระกุณฑธานะเทระรับสลากเป็นคนแรกก่อนใครอื่นทรงทำให้หมื่นโลกทาตวันไหวไปทั่วทำไมมื่นโลกทาตวันไหวเพราะตอนนี้ภิกษุทั้งหลายเป็นไงคิดว่าโอ้ยพระกุณฑธาณะอย่างนี้เหรอโอ้ มีผู้หญิงคอยเดินตามอะไรจะประหลาชิกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่โอ้โหเราจะไปให้ยังไงเนี่ยผู้เจ้าเลยต้องมาเองเล ย, เยมาเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ให้เนี่ยใ ห, ให้ให้ก่อนใครเลยให้รับไปเลยแล้วก็เนี่ยด้วยการประกาศแต่งตั้นว่าพระกุณฑาทานะนี้เป็นผู้เลิ่อกว่าภิกษุสาวกของเราทั้งปวงในด้านการเป็นผู้รับสลากก่อนใครใคร การประกาศครั้งนี้หมายความว่าไงล่ะเพราะว่าผู้ที่จะไปได้ต้องเป็นอะไรละ่ะอต้องเป็นพระอรหันต์ละถูกไ้มเป็นพระอริยะละเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ท่านไปเนี่ยใช่ไหมก็จะแสดงว่ารับรองละแล้วก็คราวนี้พระพุทธเจ้าเองไปผู้มาบอกที่หมู่สงเพื่อให้หมู่สงเป็นไงยอมรับท่านเพราะาตอนนี้หมู่สง์ไม่เข้าใจท่านละอืแม้พระาศาสดาจะประกาศคุณของท่านถึงปานนี้ แต่ภิกษุผู้เป็นปุตุชนก็ยังไม่เห็นคุณของของพระกุลท่าทานะว่าว่าอย่างนย่แล้วได้าอย่างนี้หรื อ, อ, อจะเป็นพระารหานันระกุลท่าทานะเถระจึงต้องการกําจัดความสงสัยของภิกษุเหล่านั้นด้วยการกล่าวอ้างถึงอรหัตผลของตนนะคราวนี้ผู้ยัง่ายว่าไม่ต้องแสดงละถ้าไม่แสดงก็คงคงอะไรอ่ะไม่เชื่อกันนะก็เลยพูด เลยกล่าวออกมาว่าภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ําทั้งห้าเนี่ยนะสังโยชน์เบื้องต่ามีอะไรบ้างนะสังโยชน์สมมีอะไรสักกยะทิฏฐิวิจิกิจ ช, ชาศีลตัปมาต์แล้วเพิ่มไปอีกสองเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเป็นอะไรอา้าวกามาราคะกับอะไรกับปฏิฆะนะเพิ่มไปอีกสองตัวพูดง่ายว่าประกาศว่าเนี่ยผู้ที่ตัด ภิกษุพึงตัดสังโยบเบื้องต่ำหานะพึงละสังโยบเบื้องสูงอีก5สังโยน์เบื้องสูงคือรูปราคะแล้วก็อะไรอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชานะอันนี้เป็นสังโยบเบื้องสูงภิกษุผู้ก้าล่วงพ้นกิเลสเครื่องก่อเกี่ยว5ประการนะกำลังคนนี้กําลังไล่แล้วนะ ไล่พระสูตรไล่การหลุดพ้นและเนี่ยสังโยชน์เบื้องตำ่ำตัดได้สังโยชน์เบื้องศูนย์ห้าตัดได้แล้วก็เครื่องกอ่อเกี่ยวอีก5ประการอันนี้หมายถึง1ก็คือราคะสองโทสะสามโมหะ4มานะแล้วก็หก็คือทิฏฐิเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ ย, ยถ้าตัดอีกหตัวนี้ได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าข้ามโอคะสงสารได้แล้ว นนเนี่ยถ้าใครตัดห้าห้าหห้าอย่างนี้มาเนี่ยก็จะถือว่าบรรลุธรรมนั่นเองคือข้ามโอคะสงสารได้ข้ามโอคะเนี่หมายถึงข้ามกิเลสทั้งปวงได้พูดง่ายเรานี้มีความเพียรในกิจที่นำความกเกษมจากโยคะมาให้เราทรงกายนี้ไว้เป็นชาติสุดท้ายในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณนะวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเราทําแจ้งชัดแล้วพระศ า, ศาสด า, า, าพระพุทธศาสนานี้เราได้ทําเสร็จแล้วคือประกาศเลยพระพุทธเจ้กาก็อยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ประกาศให้ภิกษุทั้งหลายได้รับรู้ได้รับทราบเลยว่าท่านบรรลุแล้ววันภิกษุที่บรรลุได้จริงแล้ว ยิ่งผู้วิเจ้าก็รับรองด้วยอูย้ท่านจะไปกลัวอะไรอะ่ะแล้วอันนี้อยู่ในอะไรอยู่ท่ามกลางเพื่อนพิสูจนด้วยกันประกาศบอกไปไม่ผิดแล้วยิ่งจําเป็นจะต้องประกาศด้วยเพราะว่าเพื่อนไม่เชื่ออันเนี้ยอ่าอันนี้ไม่ไม่มีความผิดอะไรไม่ใช่เป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมนะที่มีในตนอ่อันนี้ไม่ได้ผิดอะไรเพราะจากเรื่องเนี้นะ อ, อยากจะเป็นแง่คิด เป็นบทเรียนให้พวกเราแล้วลองไปนึกถึงเรื่องของวิบากกรรมเรื่องของความขนองเรื่องของการที่ อ, อดทนอดกลั้นเมื่อเวลาเราโดนคนใส่ร้ายหรือว่าโดนว่ากล่าวโดนเนี่ยเขาหาว่าเป็นเป็นตัวเฮี้ยเป็นอะไรเงี้อดทนให้ได้อย่าไปตอบในลักษณะที่หยาบคายกลับคืนเขาไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะ ตัวเงินตัวทองมันจะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะถ้าขืนโต้ตอบกับใบโต้ตอบกันมาว่าอันนี้พยายามคนที่หนักแน่นคนที่มั่นคงและพยายามอดทนอดการอย่างนี้ได้มีโอกาสบารรลุทำได้อะมันนี่คงฝากไว้ท่านนี้นะ